พระตรปิดกเล่มที่สิบอนเนียนชาสัปพายาสูตรปฏิปทาอันเป็นสัปพายาแก่อเนียนชาสมาบัติสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิคมของชาวกุรุชื่อกรมมาสธรรมะแควนกุรุสมัยนั้นแหละพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายกามไม่เที่ยงเป็นของว่างเปล่า เทศมีความเลือนหายไปเป็นธรรมดากามในที่นี้หมายถึงวัตถุ ก, กามได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพะและกิเลสกามคือความพอใจความกำหนัดเป็นต้นลักษณะของกามนี้เป็นความล่อลวงเป็นที่บนถึงของคนพานกามที่มีในภพนี้และกามที่มีในภพหน้า กามาสัญญาคือความกําหนดหมายในกามที่มีในพบนี้และกามาสัญญาที่มีในพบหน้าทั้งสองประการนั้นเป็นบ่วงแห่งมารเป็นวิสัยแห่งมารเป็นเหยื่อแห่งมารเป็นโคจรแห่งมารในกามนี้มีบาปอากุศลทางใจเหล่านี้คืออภิชาบ้างพยาบาทบ้างสารำาพักคือความแข่งดีบ้าง กามเหล่านั้นนั่นเองย่อมก่ออันตรายให้แก่อริยาสาวกผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้อริยาสาวกย่อมพิจารณาเห็นในเรื่องการนั้นดังนี้ว่าการที่มีในภพนี้และการที่มีในภพหน้ากามมัส ญ, ญาที่มีในภพนี้และกามมัส ญ, ญาที่มีในภพหน้าทั้งสองประการนั้นเป็นบ่วงแห่งมานเป็นวิสัยแห่งมาน เป็นเหยื่อแห่งมารเป็นโคจรแห่งมารในกามนี้มีบากอากุศลทางใจเหล่านี้คืออภิชาบ้างพยาบาทบ้างสารัมภะบ้างกามเหล่านั้นนั่นเองย่อมก่ออันตรายให้แก่อริยสาวกผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมวิ น, นัยนี้เมื่อพิจารณาเห็นดังนั้นจึงคิดดังนี้ว่าทางที่ดีเราพึงอยู่ด้วยจิตอันภัยบูนเป็นมหคัตะ อธิษฐานใจครอบงำโลกมหัคตะหมายถึงอารมณ์ที่ถึงความเป็นใหญ่ชันรูปาวจรและชั้นอรูปาวจรเพราะมีผลที่สามารถข่มกิเลสได้และหมายถึงชันทะวิริยะจิตตะและปัญญาอันยิ่งใหญ่ทางที่ดีเราพึงอยู่ด้วยจิตอันไพ่บู์เป็นมหากตะอธิษฐานใจครอบงำโลก เราเมื่อเราอยู่ด้วยมหักตะตจิตอันไพยบู์เป็นมหักตะตอธิฐานใจครอบงำโลกอยู่บาปอากุศลที่เกิดทางใจคืออภิชาบ้างพยาบาทบ้างสารรมภาบ้างเหล่านั้นจกไม่มีเพราะละอกุศลเหล่านั้นได้แล้วจิตของเราก็จะเป็นจิตไม่เล็กน้อยข้อนี้หมายถึงจิตฝ่ายกามาวจรหาประมาณมิได้ หมายถึงจิตฝ่ายรูปราวจรและฝ่ายอรูปราวจรและเป็นจิตที่อบรมดีแล้วเมื่ออริยส า, าวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานนั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะในที่นี้หมายถึงเหตุคืออรหัตผลการเห็นแจ้งอรหัตผลจตุทตถะฌานหรืออุปจาระแห่งจตุทตถะฌาน จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสคือความผ่องใสสองประการได้แก่ความผ่องใสด้วยการน้อมใจเชื่อคือการน้อมใจเชื่อว่าจะยึดเอาพระอรหันต์ให้ได้ในวันนี้และสองความผ่องใสด้วยการได้คือการได้อรหัตผลหรือจตุทัชาญเมื่ออาริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่ จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสอริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอนเนนชาสมาบัติหรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ววิญญาณที่เป็นไปในภพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงสภาพหาความวันไหวไม่ได้ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่เป็นสัพายะ แกอนเนนชาสมาบัติประการที่หนึ่งอีกประการหนึ่งอริยาสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าการที่มีในภพนี้และการที่มีในภพหน้ากามสัญญาที่มีในภพนี้และกามสัญญาที่มีในภพหน้ารูปบางชนิดและรูปทั้งหมดคือมหาพูตรูปสีและรูปที่อาศัยมหาพุตรูปสีก็มีอยู่ เมื่ออริยาสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสอริยาสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอนเนียนชาสมาบัตหรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ววิญญาณที่เป็นไปในภพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงสภาพหาความหวั่นไหวไมิได้ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่เป็นสัพพายะแก่อเนเชาสมาบัติประการที่สองอีกประการหนึ่งอริยาสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามกามสัญญารูปรูปสัญญาที่มีในภพนี้และที่มีในภพหน้าทั้งสองประการนั้นเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ควรยินดี ไม่ควรพูดชมไม่ควรติดใจเมื่ออริยาสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสอริยาสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอนเนนชาสมาบัติหรือน้อมใจเป็นในปัญญาในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ววิญญาณที่เป็นไปในภพนั้ น, น, น พึงเป็นวิญญาณเข้าถึงสภาพหาความวันไหวไม่ได้ภิกษุทั้งหลายนี่เราเรียกว่าปฏิปทาที่เป็นสัปพายาแกอเนญชสมาบัติประการที่สามอีกประการหนึ่งอริยส า, าวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามกามสัญญารูปรูปสัญญาที่มีในภพนี้และที่มีในภพหน้า และอนเนียนชาสัญญาสัญญาทั้งหมดนี้ย่อมดับไม่เหลือในฌานใดฌานนั้นคืออากิญจ ญ, ญายตนะฌานเป็นฌานอันสงบปราณีตเมื่ออริยาสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานนั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสอริยาสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอากิญจ ญ, ญายตนะสมาบัต หรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายไปแล้ววิญญาณที่เป็นไปในภพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงอากินจัญญายตนะภูมิภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่เป็นสัปพายะแก่อากินจัญญายตนะสมมาบัติประการที่หนึ่งอีกประการหนึ่ง อริยาสาวกไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าสิ่งนี้ว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเมื่ออริยาสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสอริยาสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอากิจัญญายตนะสมาบัต หรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ววิญญาณที่เป็นไปในพบนั้ น, น, นพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงอากินจัญญายตนะภูมิภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่เป็นสัปพายะแกะอากินจัญญายตนะสมาบัติประการที่สองอีกประการหนึ่งอริยาสาวก พิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราไม่มีในที่ไหนๆสิ่งน้อยหนึ่งของใครๆก็ไม่มีในเรานั้นและสิ่งน้อยหนึ่งของเราก็ไม่มีในที่ไหนๆในใครๆก็ไม่มีสิ่งน้อยหนึ่งเลยเมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานนั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใส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 อีกประการหนึ่งอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าการที่มีในภพนี้และการที่มีในภพหน้ากามสัญญาที่มีในภพนี้และกามสัญญาที่มีในภพหน้ารูปที่มีในภพนี้และรูปที่มีในภพหน้ารูปประสัญญาที่มีในภพนี้และรูปประสัญญาที่มีในภพหน้าอาเนชชาสัญญาและอากินัญญายตนะสัญญา สัญญาทั้งหมดนี้ย่อมดับไม่เหลือในฌานใดฌานนั้นคือเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตเป็นสมาบัติอันสงบปราณีตเมื่ออริยาสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสใ น, ในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสอริยาสาวกนั้นย่อมเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัต หรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ววิญญาณที่เป็นไปในภพนั้นนั้นพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่เป็นสัปายะแกะเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานอนท์ได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุในพระธรรมวิเนยนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วย่อมได้อุเบกขาอย่างนี้ว่าสิ่งที่ไม่มีก็พึงมีแก่เราหากจากั ก, จกไม่มีก็จักไม่มีแก่เราเพราะเราจะละสิ่งที่กำลังมีอยู่และมีมาแล้วนั้นไปภิกษุนั้นพึงปรินิพานหรือไม่พึงปรินิพานพระพุทธเจ้าขา่ะเพราะผู้มีพระพาตรัสว่า อาโนนภิกษุบางรูปพึงปรินิพานในอัตภาพนี้บางรูปไม่พึงปรินิพานในอัตภาพนี้ท่านพระอาน น, น์ถามถึงอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเช่นนั้นตรัสว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วย่อมได้อุเบกขาอย่างนี้ว่าสิ่งที่ไม่มีก็ไม่พึงมีแก่เราหากจากไม่มีก็จากไม่มีแก่เรา เราะเราจะละสิ่งที่กําลังมีอยู่และมีมาแล้วนั้นไปภิกษุนั้นย่อมเพลิดเพลินชื่นชมยึดติดอุเบกขานั้นวิญญาณย่อมเป็นอันอาศัยอุเบกขานั้นยึดมั่นอุเบกขานั้นอา น, นุภิกษุผู้มีความยึดมั่นย่อมปรินิพานไม่ได้ก็ภิกษุนั้นเมื่อยึดมั่นจะยึดมั่นในธรรมะข้อไหนพระพุทธเจ้าค่ะ ตรัสว่ายอมยึดมัน่นในวาสัญญานาสัญญายตนะภูมิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ยินว่าภิกษุนั้นเมื่อยึดมั่นย่อมยึดมั่นอุปาทานส่วนที่สําคัญที่สุดหรือพระพุทธเจ้าค่ะอานุนภิกษุนั้นเมื่อยึดมั่นย่อมยึดมั่นอุปาทานส่วนที่สําคัญที่สุดก็อุปาทานส่วนที่สําคัญที่สุดนี้ คือเนวะสัญญานาสัญญาญัตนาภูมิอานนภิกษุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วย่อมได้อุเบกขาอย่างนี้ว่าสิ่งที่ไม่มีก็ไม่พึงมีแก่เราหากจักไม่มีก็จักไม่มีแก่เราเพราะเราจะละสิ่งที่กำลังมีอยู่และมีมาแล้วนั้นไปภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่ชื่นชมไม่ยึดติดอุเบกขานั้นอยู่ เมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่ชื่นชมไม่ยึดติดอุเบกขานั้นอยู่วิญญาณก็อาศัยอุเบกขานั้นและยึดมั่นอุเบกขานั้นไม่ได้อานนท์ภิกษุผู้ไม่มีความยึดมั่นย่อมป ร, รินิพานได้ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลว่าหน่าอาัศจริงไม่เคยปรากฏพระพุทธเจ้าค่ะได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยเหตุนี้ จึงตรัสบอกปฏิปทาเครื่องข้ามพ้นโอเคแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิโมกอันเป็นของพระอริยเป็นอย่างไรคือภิกษุผู้เป็นอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามที่มีในภพนี้และกามที่มีในภพหน้ากามสัญญาที่มีในภพนี้และกามสัญญาที่มีในภพหน้า รูปที่มีในภพนี้และรูปที่มีในภพหน้ารู ป, ปรสัญญาที่มีในภพนี้และรู ป, ปรสัญญาที่มีในภพหน้าอาเนชชาสัญญาอากินจัญญายตนะสัญญาและเนวะสัญญานาสัญญายตนะสัญญาสักกายะมีอยู่เท่าใดนี้เป็นสักกายะวิโมกคือความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นคืออมะตะ อ น, นุ์เราแสดงปฏิปทาที่เป็นสัปพายะแก่อเนนชาสมาบัติไว้แล้วแสดงปฏิปทาที่เป็นสัปพายะแก่อากินจัญ ญ, ญายตนะสมาบัติไว้แล้วแสดงปฏิปทาที่เป็นสัปพายะแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติไว้แล้วเราอาศัยเหตุนี้แสดงปฏิปทาเครื่องข้ามโอคะไว้แล้วแสดงวิโมกอันเป็นของพระอริยะไว้แล้วด้วยประการอย่างนี้ ที่ศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์อาศัยความอนุเคราะห์แล้วพึงทำแก่สาวกทั้งหลายเราก็ได้ทำแล้วแก่เธอทั้งหลายอาห น, นุนนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งฌานอย่าประมาทอย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังนี้เป็นคำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลาย